เชิญนันท์พรทุกๆ ท, ท่านวันนี้คนจัดรายการที่ น, นิมลอาตมามาเทศเรื่องที่เข้าใจไม่ได้เลยพุทธศาสนากับจิตตเวชศาสตร์ไทายอาตมารู้แต่พุทธศาสนาจิตเวชศาสตร์หน้าตาเป็นยังไงยังไม่เคยรู้เลยเพราะงั้นอาตมาคงพูดแต่เรื่องพุทธศาสนา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 เพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงๆอะไรมันทุกข์ก็ใจเป็นทุกข์นั่นแหละจะเกี่ยวกับจิตเวชาวศาสตร์ก็คงตรงที่ทำยังไงใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เครียดแต่ยังไม่เพียนแต่ว่าพวกเราบางท่านนะจะรู้สึกเลยว่าพวกที่ศึกษ า, าศาสนาพุทธนั่นแหละมีปัญหาทางจิตคนดีๆทั้งหลายเนี่ยถ้ามาหัดภาวนาเราจะบ้าแต่แปลกอย่างหนึ่งนะ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 วิธีการที่เราจะเรียนรู้จิตใจตัวเองนี่ะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะชื่อฟังยากเราลืมคำ ว, ว่าวิปัสสนากรรมฐานไปเฉลยก็ได้นะมันคือการเรียนรู้จิตใจตัวเองเรียนรู้เจอทั้งรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงความไม่ทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงงั้นบางคนก็บอกว่าพระพุทธศาสนาเ น, นี่มีขอบเขตอยู่นิดเดียวสอนเรื่องว่าความทุกข์กับความพ้นทุกข์นะ หรือทุกข์กับการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่ขอบเขตมีอยู่ทั่านี้เองถ้าใจมันไม่ทุกขนะ์น่ะยกเว้นแต่ร่างกายผิดปกติจริงๆอะ่ะมันก็ไม่มีทางเพียนหรอกแต่ว่าถ้าร่างกายมาผิดปกติไปนะจะเกิดจากเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่เกิดจากจิตใจไอ้นี่โอกาสเพียนมันก็ยังมีอยู่ต้องอาศัยหมอไปรักษาแต่เท่าที่สังเกตเยอะแยะเลยส่วนมากใจมันเครียด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 ถ้าหัดเรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อสักช่วงหนึ่งนะจะเห็นเลยทั้งวันนี้เต็มไปด้วยความชั่วพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะตอนที่เรายังภาวนาไม่เป็นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีแต่ลงพ่อนาให้เป็นสิจะรู้เลยว่าหานางมันร้ายนะี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะหายซาตานไม่ต้องไปหาที่อื่นะอยู่ที่ตัวเองเองเราจะเห็นเลยว่าใจเราทั้งวันทั้งวันนะั้นมันคิดแต่ชั่วชั่วทำแต่ชั่วชั่นะปรุงแต่ชั่วๆวความเคยชินเป็นอย่างนี้เองนะ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 อยจิตและใจเรากําลังสงสัยว่ามีดอกไม้กี่ชนิดเราไม่รู้ทันว่าใจกําลังสงสัยอยู่ใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้เราลืมตัวเองเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนะในทางศาสนาพุทธเรียกว่าขาดสตินะแล้าจะค่อยๆพัฒนาสติขึ้นมานะต่อไปจะพัฒนาให้เกิดปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วรับรองไม่เป็นโรคจิตดอกนะใจจะเครียดไม่ได้ความทุกข์มันเกิดขึ้นทีเฟลอนะความทุกข์ทางใจ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 เราลืมกายลืมใจในปัจจุบันนี้ดังนั้นะเราจะลืมตัวเองตลอดเวลาตัวนี้เรียวกว่าขาดสติเมื่อไรขาดสติเราจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้แลง้นเราจะต้องค่อยๆพัฒนาสติให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะมาเรียนรู้จิตตัวเองให้ได้นี่เราจะเรียนรู้จิตตัวเองนะจนกระทั่งวันหนึ่งปลดปล่อยจิตออกจากความทุกข์ได้วิธีเรียนรู้จิตตัวเองนะขั้นแรกพัฒนาให้เกิดสติสติคือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกาย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 จะไปก่อนหลวงพ่อรับราชการนะตื่นนอนมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์จิตใจแห้งแล้งเลยะ<ม>พอนึกได้ว่าวันนี้วันอังคารนะอ้เบื่อมากวันพุธสุดเซงวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้ววันศุกร์กะดิกระดาเห็นไหยพอตื่นขึ้นมานึกได้วันนี้วันศุกร์นะสดชื่นเนี่ยนึกได้ว่าลองวิกเอนด้วยนะจะถึงลองวิกเอนแล้วยิ่งมีความสุขมากกว่าปกตินะ ใ, ใจเราคิดนะ ใ, นใจเราก็มีความรู้สึกขึ้นมาในขนานั้นเราไม่ได้สนใจตัวเองนะเราม es ัวแต่คิดนะโอ้วันนี้วันสุกนะเย็นนี้จะนัดใครไปเที่ยวดีมเราจะคิดเรื่องสิ่งอื่นไปเลยถ้าเราจะเรียนรู้จิตใจตัวเองไม่ยากเลยเราคอยรู้ความรู้สึกของเราใจมันคิดไปวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกเป็นยังไงเรารู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ on ้ <HO US> S> <S นวันนี้วันพุธความรู้สึกเป็นยังไงคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้วันศุกร์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 นะจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตใจที่มีกิเลสทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะดูแบบนี้โดยทั้งความเป็นกลางลเราจะพบว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนีสเสมอกันหมดเลยเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานนะไม่เหมือนจริยธรรมนะวิชาจริยธรรมเนี่ยสุขกับทุกข์ดีกับชั่วนี่ไม่เท่าเทียมกัน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 ความทุกข um> ์เขาก็อยู่ช่วคราวนะอะไรอะไรก็ช่วคราวหมดเลยกุศลก็ช่วคราวอกุศลก็ช่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันด้วยความจริงก็คือว่ามันเป็นของช่วคราวนะถ้าพูดให้เป็นยศก็คือมันเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาคือด้วยความไม่เที่ยงทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปนี่เรื่องอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างตนอยู่ไม่ได้นานนะ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 รูปแต่ละรูปนะ่ะสั้นนิดเดียวนะแต่อาศัยความจําของเราเนี่ยแหละเลยไปจําว่ามันทุกได้นานนะหลวงพ่อเคยถามมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปเรียนตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการก็ถามนะอ้าวใครเคยทุกข์นานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกล้าหาญนะยกมือเลยโนูต่าทุกเป็นปีเลยทุกข์เรื่ออะไรอกหักอกหักนะทุกเป็นปีใครใครอกหักบ้างมีไหมไม่มีเลยเหรอชีวิตไม่มีรสชาติเลยเหรอะ ถ้าไม่เคยหัวหักนะมันไม่เข้าใจชีวิตหรอกนะเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็บอกเลยแค่ทุกตั้งปีเพราะหัหักหลวงพ่อดูหน้าแกแล้วนะหน้าตายแกชอบเที่ยวศูนย์การค้าถามแกเลยว่าตอนที่ไปเที่ยวศูนย์การค้าเนี่ยเคยไมหมเกิดปวดท้องกระทันหันนะบอกเคยวิ่งหาห้องน้ำไปที่ใหม่ๆนะบางทีหาห้องน้ำไม่เจอใช่ไหม หรือไปที่เก่ารู้ว่าห้องน้ําอยู่ตรงนี้ห้องน้ํามีคนอยู่เต็มเลยหรือปิดซ่อมนะเนี่ยตอนที่วิ่งหาห้องน้ําถามว่าขนาดนั้นอกหักไหมไม่อกหักนะอะทุรนทุรายห้องน้ําอยู่ไหนวนะวิ่งวิ่ ง, ว, งวิ่งนะพอมีโอกาสเข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะนะก็เริ่มคิดต่อมือหากอกกูนะความทุกข์เกิดตอนคิดเท่า น, นั้นเองอกหักไม่ได้อยู่เป็นปีนะ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 เาอย่าเป็นนึกนะว่านิพพานเป็นสภาวะในอุดมคติเป็นสิ่งที่อยู่ไกลๆเป็นโลยูโทเปียที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาหลอกให้คนทําดีจริงๆแล้วนิพพานมีจริงๆนะนิพพานอยู่ต่อหน้าตาอตาเรานี่เองนิพพานคือสภาวะซึ่งใจนี่มันพ้นความปรุงแต่งพ้นความยินรนพ้นความอยากพ้นความทุกข์พ้นกิเลสพ้นความยึดถือสิ่งต่างๆถ้าใจพ้นสิ่งเหล่านี้นะ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 นั่งแล้วเมื่ อ, อยเครียดไหมนั่งแล้วแสงส่องหน้าอย่างหลวงพ่อเนี้ยเครียดไหมไม่เครียดหรอกถ้าเราฝึกให้ดีนะตำรวจมันมาส่องจะสอบสวนเรานะเราก็สบายใจนะมันหลอกเราไม่ได้ยิ่ที่เราฝึกนะฝึกจนกระทั่งใจเราไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงต่อสภาพแวดล้อมใจได้เป็นอิสระเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ําไม่เตียนน้ําอยู่ในคโคลนไม่เพื่อนคโคลนะเราฝึกได้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 เกิดอยากรู้อยากเห็นอะไรจิตได้สํานึกอยากรู้อยากเห็นอะไรมันเห็นตลอดเลยนะจริงบ้างโกหกบ้างเชื่อไม่ได้ดอกดูไปดูมาเริ่มแยกไม่ออกแล้วอะไรของจริงอะไรของปลอมนี่ภาวนาแล้วเพี้ยนไปนะหรือบางคนนะมีความทุกข์อยู่แล้วพยายามไปเข้าวัดไปเข้าคอร์สนะยกตัวอย่างสมมติบางคนไปดูท้องผ่องยุบนะเนี๋ยนี้มีเยอะนะดูท้องผ่องยุบเอาจิตเนี้ยไปแนบอยู่ที่ท้องตรงนี้ผิดกฎอะไรบ้างอันแรกเลยไปดักจ้องเอาไว้ใช่ไหม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 งั้ก่อนจะดูท้องของยุ้มได้ต้องแยกรูปแยกนามก่อนกายอยู่ส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูแยกออกมาจะเดินจงกรมกายก็เดินแตใจเป็นคนดูต้องฝึกให้ได้อย่างนี้รับรับหลงไม่บ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเพ่งไว้นะเราโอกาสเพี้ยนนี่เยอะมากเลยถ้าเพ่งเราเครียดหรือบางคนภาวนานะเพ่งเพ่งเพ่งจนขาดสติลืมตัวเองเลยนะเหมือนโดนยาสลบหมดความรู้สึกเลยซึ่งเรานั้นแปลกปลอมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติสอนให้เรารู้สึกตัว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 หน้าที่ของชาวพุทธไม่ใช่ไปสนใจว่าใครไปเกิดที่ไหนชาติหน้ามีหรือเปล่าอะไยังลังเลอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่แท้จริงไม่มีใครคัดค้านได้นะคืออริยสัจสี่ความทุกเกิดขึ้นมาที่ใจเรานี่ถ้าเรามีความอยากใดๆเกิดขึ้นแค่อยากรู้ว่าแม่ไปเกิดที่ไหนก็ทุกแล้วละ่ะเขาไม่ต้องห่วงแม่หรอกตอนนี้ให้ให้ดูใจของตัวเองไว้นมัสการหลวงพ่อครับ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 ให้มีสติรู้ไปได้ให้รู้ฐานใจที่ไม่ตั้งมั่นไหมปัญหาตอนนี้คือใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมดูออใจไปอยู่ข้างนอกใจมันไม่ทวนเข้ามาที่กายที่ใจครับศาสต ร, ร์ของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงๆเลยถ้าเรียนแล้วโอ้อัศจรรย์ความทุกข์นะมันกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาได้แปลกเชิญกรรณมัสการค่ะเปลี่ยนถามพระอาจารย์ว่าที่ตัวเอง ปฏิบัติตามแนวเนี่ยนะคะอพอเห็นความคิดเนี่ยคุคิดมากก็จะรู้รู้ตัวเป็นบางช่วงความโลภก็เห็นแต่เวลาเห็นความโกรธเนี่ยรู้สึกจิตมันไม่เป็นกลางอย่างยิ่งรู้สึกไม่พอใจแล้วมันก็จะกยาวท่านประธานไม่ต้องไปกังวลใจว่าความโกรธไม่ดับการที่เราตามรู้จิตใจตัวเองเนี่ยไม่ใช่เพื่อดับความโกรธไม่มีใครดับความโกรธได้นะ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 เห็นสาวแล้วทนไม่ได้ะแต่และคนจะมีจุดอ่อนบางคนมีจุดอ่อนที่ความโกรธ ถ, ถ้าความโกรธเกิดแล้วทนไม่ได้ดงั้นกิเลสใดที่เป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยต้องใช้เวลาท่านประธานต้องรู้ด้วยความเป็นกลางไว้นะไม่เพระค่งจิตขณะนี้เพ่งอยู่นะยังมีการเพ่งอยู่วิธีสังเกตง่ายๆว่ายังมีการเพ่งอยู่ก็คือมีการกดเอาไว้ให้นิ่งจิตจะมีน้ำหนักขึ้นมารู้สึกไหมมันหนัก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 พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรใจเราไปหลงในความนิ่งความว่างเรามีความสุขแต่ความสุขนี้เป็นความสุขแบบเสร็จติดเป็นพบพบหนึ่งอะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่จิตไปสร้างขึ้นมาและจิตก็ไปติ ด, ตดอยู่ถ้าไปยินดีพอใจก็จะติดอยู่ตรงนี้เรื่อยๆไปตรงนี้จะไปเอารูปกับพลมนะไปเป็นพรหมที่ไม่มีร่างกาย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 แทนที่จะออกมารู้โลกอย่างที่มันเป็นอยู่ทำสมถะและ้วก็หลบอยู่ข้างในไปนานๆนี่อันตรายลูกระเบิดมาก็หนีไม่ทันนะมอแต่มองด้วยใจที่ว่างเปล่ากันเสร็จเลยต้องตีนไวๆไว้นะ <c oughs> มือเ <c oughs> ท้าให้มันว่องไวไว้นะ <c oughs> เวลาใช้อย่างนี้ดีกว่านะถ้าเขาเป็นชาวพุทธนะให้เขาคิดถึงพระพุทธเจ้าเรืนะ่อยๆแทนที่จะให้คิดถึงลูกถึงเมียแล้วก็เศร้าโศก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 แต่ถ้าเขายังรู้สึกตัวไม่ได้นะก็แค่ผ่อนคลายเป็นช่วครั้งช่วคราวนะคล้ายๆปวดหัวก็กินพาราอนะไรเงี้ยต้นเหตุมันไม่ได้ขดจัดไปงั้นหลายคนบางทีไปคลุ้มใจมากๆนะไปอยู่ใกล้ๆอัตมานะค่อยๆสอนไปอย่างเงี้ยไม่ได้ จ, จําจีจำชัยอะไรนะแห้เข้าฟังไปฟังไปแล้วเขาค่อยสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยพอเขาสังเกตออกเขาก็หายนะความเครียดความทุกข์มันหายหมดนะ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 Oh. แต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าหให้อารมณ์มันเกิดก่อนอแล้วจึงดูตามผมบางทีเข้าใจว่าคนบางคนนั้นอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันยาวมันยากที่จะดูตามไ ม, มันยากมันยากจริงนะแต่ต้องฝึกพระพุทธเจ้าใช้หลักอย่างนี้นะดูกราภิกสูทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคานะหลักเท่านี้เองจิตมีราคะนะแล้วก็ให้รู้ว่ามันมีราคะ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 ต่อไปอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นทีแรกโกรธตั้งนานนะแล้วเพิ่งระลึกได้ว่าโกรธนี่ต่อไปนะพอใจเริ่มไหวโกรธขึ้นมาบักสติระลึกแนละความโกรธจะดับทันทีเลยแล้วค่อยๆฝึกจนกระทั่งกเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆฝึกจิตไปจิตปกติจะไหลไปตลอดเวลาไหลไปคิดไหลไปโน้นไหลไปนี้นะเราค่อยรู้ทันค่อยรู้ทันเรื่อยๆหรือบางคนก็บริกรรมบางคนพูดโธบางคนหายใจอนะไรเนี้ย